ทรงปรารบภิกษุณีทุลลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลลนันธาออกปากทูลขอผ้ากรรผลจากพระราชาในนิสสกียปาจิตติสิกขาบทที่ิอนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐาน หสมุดฐานและ